ในคถาหน้าหน6ร้กล่าวต่อไปว่าบุคคลผู้สันโดษด้วยผลไม้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติเลี้ยงชีพไม่เนื่องด้วยผู้อื่นละความละโมบในอาหารเสียได้ย่อมเป็นมุนีในสี่ทิศเนี่ยนะคนที่ไม่เดือดร้อนในเรื่องอาหารไม่ลำบากเรื่องอาหารอย่างไรก็ทานได้นะที่ไห น, นก็อยู่สบายมุนีย่อมละความอยากในรส การเลี้ยงชีพของท่านจึงบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นแลจึงไม่ควรดูหมิ่นการบริโภคผลไม้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยนะอันนี้พูดตามภาษาฤาษีที่เกิดในยุคสมัยที่ผลไม้มันดกมากสมัยนี้ยังนึกไม่ออกว่าป่าไหนจะมีผลไม้ให้ไปอยู่ทานสบายๆเนี่ยหายากมากบทว่าประทานนา ง, งนะไปอยู่ภายในท่านโเมศเนี่ยประพฤติอยู่อย่างนี้ไม่นานนะัก เพราะอะไรถ้าท่านมีสันโดษในเครื่องนุ่งหม่มสันโดษในที่อยู่สันโดษในอาหารก็พระพฤติตามอริยวงศ์หมดแล้วแล้วสุดท้ายท่านก็เป็นผู้ที่ยินดีในภาวนามัานไม่นานนักก็บรรลลุสมาบัติ8อภิญญา5ภายใน7วันอันนี้สําหรับผู้ที่ตั้งความเพียรในการอบรมสมถะและวิปัสสนาท่านไม่ต้องไปศึกษาไปร่ําไปเรียนที่ไหนไมอาอีกแล้วเพราะว่าโดยหลักการเนี่ยท่านเรียนจบมาตั้งแต่เป็นคารวะหมดแล้วเนี่ยนะก่อนที่จะออกบวชอยู่แล้ว ท่านสุเมธนั้นอยู่ในอิริยาบถนั่งยืนและเดินเท่านั้นเองท่านสุเมธปฏิเสธการนอนยังวันคืนให้ล่วงไปด้วยการนั่งการยืนการเดินเท่านั้นจึงบรรลุ ก, กำลังแห่งอภิญญาได้ภายในเจดวันเท่านั้นก็แลเมื่อสุเมธดาบดบรรลุ ก, กำลังแห่งอภิน ญ, ญาอย่างนี้ก็ยับยั้งอยู่ด้วยความสุขในสมาบัติเนี่ยนะมีความสุขในการเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานเข้าทุติยะฌาน ออกจากทุติยฌ า, านเข้า ต, าตัตยฌ า, านออกจาก ต, าตัตยฌ า, านเข้าจตุฌานออกจากรูปฌานเข้าอากาสารัญจายตนะเข้าวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเข้าเนวสัญญาณนาะสัญญายตนะแล้วก็เข้าสลับ เ, เข้าลงอีก น, นะสมาบัติที่876 54321บางทีก็เข้าสลับ1 3 5 7 8หรือว่า865432อะไรเงก็ขึ้นสลับสลับยังไงก็ได้จนชำนาญแล้วบางทีสลับฌานบางทีก็สลับกสิน นะอันนี้นี่เรียกว่าอย่างที่กล่าวเมื่อกี้เรียกว่าสลับชาญอีกวิธีหนึ่งก็เป็นการเข้าสลับประสินคือการเข้าเนี่ยนะคือการเข้าชาญเนี่ยมันมีแบบเข้าเข้าสลับชานเนี่ยนะคือเข้าสลับเช่นหนึ่งสามหกห้าเป็นต้นนะหนึ่งสามห้าเจ็ดแล้วก็ไปเข้าแปดแปดหก สี่สองแล้วก็สลับขึ้นล ง, ล ง, ลงขึ้นลงลงขึ้นในเรียกว่าสลับตัวชานอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองสลับกสินเนี่ยนะสลับกสินก็คือสลับจากปฐวีเป็นอาโปจากอาโปเป็นเตโชจากเตโชเป็นวายโยจากวายโยเป็นสีเขียวสีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วก็เข้าสลับสีเนี่ยนะเข้าสลับสีก็เข้าสลับชานเะข้าสลับชานเข้าสลับสีเนี่ยนะท่นต้องเป็นคนที่ชํานาญทางใจอย่างมากเลยนะผู้ที่ชํานาญทางใจอย่างสูงจึงกระทําได้ แล้วก็พร้อมที่จะเพิกจากกสินเหล่าใดเข้าอารูปสมาบัติได้หมดเลยอันนี้เรียกว่าชํานาญมา ก, กเรียกว่าเล่นกีฬาชานใช้เวลาสูงใช้เวลามากนในการฝึกอย่างนี้แต่ว่ามันมีความสุขที่สุดในเรียกว่าในโลกนี้นะสำหรับผู้ที่มีความสุขทั่วๆไปเนี่ยผู้ที่เข้าชานเล่นชานสลับชานเนี่ยมีความสุขที่สุดแล้วเนี่ยนะครั้งนั้นพระศาสดาพระนามวทีปังกรผู้ทําการสงเคราะห์ชนทั้งปวง ผู้ทรงกำจัดภัยแก่พลแห่งมารขอภัยทรงทำภัยแก่พลแห่งมารทรงทำประทีปคือพระยานเสด็จอุบัติเกิดขึ้นในโลกก็สมัยนั้นมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกนะพระนามว่าทีปังกรคำว่าศาสดาปแปลว่าปแปลว่าอะไรปแปลว่าผู้สอนประโยชน์ทั้งหลายประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและก็ประโยชน์อย่างยิ่งเรียกว่าพระศาสตาเรียกว่าครูนั่นแหละ หรืออีกในหนึ่งก็คือผู้นำพวกนาพวกออกจากวัตฏะทั้งหลายทีปังกรเนี่ยโดยศัพแปลว่าผู้สร้างประทีปขึ้นเนี่ยนะผู้ทำดวงประทีปให้เกิดขึ้นทีปะก็คือประทีปะนะกระก็คือผู้อ่ะผู้ทำประทีปให้เกิดขึ้นนั่นเองพระองค์เนี่ยผู้กระทำการสงเคราะห์คือผู้มีใจกรุณาต่อชนทั้งปวงตํอาอภัย คือมารและเสนามารพระองค์ก็กำจัดได้เสร็จแล้วพระองค์ทำประทีปคือพระยานให้สว่างขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็อุบัติขึ้นในโลกนะอิทัทธาคตโโลเกอุปัโนก็คือพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนัอันนี้เป็นการพูดโดยสังเกตเท่านั้นแต่การกล่าวตามลําดับเรื่องพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีดังนี้อันะก็คือมาดูประวัติของพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรพระโพธิสัตว์ พระนามว่าทีปังกรพระองค์นี้บำเพ็ญบารมีมา30ทัดํารงอยู่ในอัตภาพเสมือนอัตภาพของพระเวสสันดรทรงให้มหาทานเป็นเหตุให้แผ่นดินไหวเป็นต้นแสดงว่าพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ใ น, นาชาติสุดท้ายจะคล้ายๆพระเวสสันดรหมดาชาตินั้นจะต้องบมาหาบริจาคที่ยิ่งใหญ่เป็นการบริจาคที่เป็นเหตุให้แผ่นดินไหว อันนี้แหละเป็นกําลังอันหนึ่งที่กล่าวอ้างไว้ต่อสู้กับพยามารว่าพระองค์เนี่ยได้ให้ทานเพื่ออะไรนะโพที่บัลลังก์ตรงนี้แหละก็อาศัยทานที่ได้บริจาคไปที่เกิดแผ่นดินไหวนั่นแหละเป็นกล่าวอ้างมันเมื่อพระองค์เนี่ยนะบำเพ็ญมหาทานบริจาคบุตรภริยาศั ส, ะสะดกมหาฐานเป็นต้นสิ้นสุดพระชนมายุก็บังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตดํารงอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตจนตลอดพระชนมายุเท่าไหร่ 5้าล้านห้าอยเจล้านปีเนีพอครบอายุไขของเทวดาชั้นดุสิตแล้วเทวดาในหมื่นจักรวาลก็มาประชุมกันกล่าวว่ากาโลยังเตมหาวีระอุปปชามาตุกุตชยังสเทวกังตาริยันโตพุทชัสุอมตังประทังแปลว่าข้าแต่พระมหาวีระอันนี้เป็นคําของเทวดาในหมื่นจักรวาลพร้อมกันมาที่สวรรค์ชั้นดุสิตเพื่อ ราธนาว่ามหาวีระข้าแต่พระองค์ู้กแก้วกล้าคือองค์อาจากล้าหาญจริงๆนะถ้าไม่กล้าขนาดนี้จะสร้างบารมีได้ยังไงเนี่ยนะเพราะว่าบารมีที่ทำเนี่ยเป็นการงานของคนกล้าจริงๆบัดนี้เป็นกาละอันสมควรสาหรับพระองค์โปรดสเสด็จอุบัตในพระคันของพระมารดาเถิดพระองค์เมื่อทรงยังโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามข้ามอะไรข้ามโอคะ หรือข้ามสงสารโอคะหมายถึงอะไรสมุทัยสัจจะสงสารก็คือทุกขสัจจะขอให้พระองค์เนี่ยข้ามทุกข้ามสมุทัยแล้วก็โปรดตรัสรูอร้อมะตะบทคือนิพพานเถิด น, นะกล่าวแบบย่อๆก็คืออาราธนาให้พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้อริยสัจนั่นแหละให้ข้ามโอคะคือสมุทัยสัจสงสารคือทุกขสัจตรัตรสรู้นิพพานคืออมะตะบทแต่การที่จะข้ามโอคะ ข้ามสงสารต ร, สรัสรู้อารยบ อ, อมตะบทนั้นต้องเกิดจากการแทงตลอดอริยมรรคเกิดจากการเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะอันที่สําคัญเนี่ยก็โดยหลักการก็พอรู้อยู่แล้วแต่ว่าที่สําคัญก็คือการเจริญอริยมรรคที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อข้ามโอกคสงสารเพื่อตรัสรูพ้พระนิพพานพระโพธิสัตว์พระองค์นั้นเนี่ยนะคือพระโพธิสัตว์ทีปังกรนั้นนะก็รับคําของเทวดา แล้วพระองค์ก็พิจารณามหาวิโลกนะ5ประการซึ่งเราเคยกล่าวมาแล้วในหน้า144เนี่ยนะหลังจากพิจารณาดูมหาวิโลกนะเสร็จแล้วก็จุติจากดุสิตสวรรค์ถือปฏิสนธิในพระคันในดาวนกษัตว์เดือนอาสาฬหะหลังเดือนอาสาฬหะแปลว่าพระองค์เกิดในพระคันของพระพุทธมารดาวันเพ็ญเดือน8เนี่ยนะวันเพ็ญเดือน8 มันเมื่อวันเพ็ญเดือนแปดก็อยู่ในพระคันของพระนางสุมเมธาเทวีมเหสีในสกุลของพระราชาพระนามว่าสุเทวะผู้เป็นพระราชบิดาเนี่ยนะเป็นพุทธบิดาผู้เป็นเทพแห่งนรชนเทพก็คือเป็นสมมุติเทพที่หมู่ชนทั้งหลายเขานับถือว่าเป็นเทวดาเนี่ยนะเรียกว่าเทวดาในหมู่มนุษย์เหมือนเทาวัาสุเทพผู้พิชิตด้วยความเจริญแห่งยศของพระองค์ในกรุงรัมมะวดีเนี่ยนะ มีพระราชบริวารหมู่ใหญ่คอยบริหารตอนที่พระองค์ประสูติก็ไม่แปดเปื้อนด้วยของไม่สะอาดอะไรอะไรในพระคันของพระมหาเทวีเหมือนก้อนแก้วมณีก็อยู่ในครันตลอดทศมาศสิบเดือนก็ประสูติจากพระคันของพระนางเหมือนดวงจันทร์ในฤดูศาสตร์โคโจรไปในหลืบเมฆเนี่ยนะดวงจันทร์ในฤดูศาสตร์เป็นอย่างไรก็ดูว่าวันเพ็ญเดือนที่แล้วกับจะวันเพ็ญที่จะถึงวันที่ มันที่ไรที่ 10, ใช่ไหมอันนะ่ะที่10ตอนกลางคืนนี่ก็ไปดูเอากันแล้วกันว่าถ้าไม่มีเมฆมีหมอกนี่ดวงจันทร์เป็นอย่างไรตอนที่พระพุทธเจ้าประสูตรก็ลักษณะนั้นบุพภินิมิต32ประการปรากฏเป็นปาฏิหาริย์ของพระทีปังกรราชกุมารพระองค์นั้นทั้งขณะปฏิสนธิทั้งขณะประสูตอ น, นะขณะที่เกิดในพระคันก็มีปาฏิหาริย์อย่าง ขณะที่ประสูตรจากพระครั์ก็มีสาาปาฏิหาริย์สาประการเป็นฐานะ4เหล่านี้คืออะไรบ้างบอกว่าเมื่อพระสัพพัญยูโพธิสัตว์ทุกพระองค์เสด็จสู่พระขันพระพุทธมารดาอันนี้หนึ่งจะเกิดบุ พ, พนิมิตสามอย่างเหมือนกันเกิดปาฏิหาริย์สาอย่างเนี่ยนะสขณะที่ประสูตร3ตรัสรู้สี่ประกาศพระธรรมจักรแต่ว่าเหตุการณ์เหล่านี้สุเมธบัณฑิตไม่รู้เลยมัวแต่มีความสุขในฌานน่นนะ เพราะฉะนั้นจึงแสดงบุพนิมิต32ประการในการประสูตรของทีปังกรราชกุมารโพธิสัตว์ปรากฏแล้วดังนี้ว่าเมื่อพระทีปังกรราชกุมารผู้ทําความงามผู้ทําความเจริญผู้ทําความสงบประสูตรแล้วนะยกย่องมากเลยนะผู้ทําความงามเราความงามทั้งมวลในโลกเกิดขึ้นเพราะพระองค์ผู้สร้างความเจริญ ความเจริญคือโดยเฉพาะฝ่ายกุศลและก็ผู้สร้างความสงบให้แก่โลกประสูทิ์แล้วครั้งนั้นหมื่นโลกธาตุก็สะเทือนสะทานหวั่นไหวโดยรอบนะหวั่นไหว้ดยอาการ6ใช่ไหมก็เรียกว่าเหมือนกับเรือนเหมือนกับเรือโครงนั่นแหละเหมือนเรือโครงจำง่ายๆดีครั้งนั้นเทวดาในหมื่นจักรวาลก็พากันมาประชุมในจักรวาลเดียวเทวดามาร่วมประชุมในหมื่นจากหมื่นจักรวาลเหมือนอย่างว่า ในยุคสมัยที่คนชื่นชมดอกบัวมากเนี่ยนะแม่ใครก็อยากจะมาดูดอกบัวพิเศษว่าไม่รู้กี่ล้านปีจะออกมาดอกหนึ่งที่บานแล้วงดงามเลยทุกคนก็จะมาดูกันฉันใดเทวดาในหมื่นจักรวาลก็มาดูพระโพธิสัตว์ผู้ประดุจ ด, ดอกบัวฉนนันนั้นเทวดาหมื่นจักรวาลมาประชุมกันพอพระมหาสัตว์ผู้เป็นพระโพธิสัตว์ประสูตมเทวดาทั้งหลายคือเท้าพรหมเป็นต้นเนี่ยนะก็รับก่อนภายหลังพวกมนุษย์จึงรับพระองค์ตามมา ขณะนั้นกลองหุ้มหนังและกลองทั้งหลายช่องพินและพินทั้งหลายอันใครๆไมิได้ประโคมก็ดังขึ้นเนี่ยนะเสียงกลองเสียงอะไรทั้งหลายเหล่านี้ก็ดังขึ้นเครื่องอาพร์ทั้งหลายที่ใครๆไมิได้แตะต้องก็ส่งเสียงร้องอย่างไพเราะไปรอบๆออนะแล้วแปลว่าเครื่องดนตรีทุกชนิดเนี่ยดังขึ้นเองบรรเลงขึ้นเองอย่างไพเราะสนโอสโดเครื่องพันธนาการทั้งหลายทุกแห่งก็ขาดหลุดไปเนี่ยนะ ก็พวกโซ่ตรวนที่เขาดักล่ามสัตว์ผูกสัตว์ก็หลุดไปหมดโรคภัยทั้งปวงก็หายไปเองคนตาบอดแตกกาเนิดก็มองเห็นรูปทั้งหลายมันก็พอเห็นรูปทั้งหลายเสร็จแล้วก็บอดต่อไม่ใช่ว่าหายตลอดเวลาเนี่ยนะก็คือตอนที่บอดนะั้นก็พอเห็นรูปได้ว่าอะไรเป็นอะไรเสร็จแล้วก็บุพนิมิตนี้หายไปก็บอดต่อคนหูหนวกก็ได้ยินเสียงรอบตัวเนี่ยนะมีโอกาสได้ยินเสียงกับเขาบั้งเรตอนนี้แหละ คนใบ้แต่กําเนิดก็มีสติระลึกได้นะก็หลงลืออะไรมาก็นึกออกอะไรบ้างกับตอนนั้นแหละคนขาพิการก็ใช้เท้าเดินได้กนะโผล่กะเพลกมาเต็มทีเป็นโปลิโอก็จะจะเดินได้ในตอนนั้นเสร็จแล้วก็เป็นตอนเนี่ยนะเรือก็เดินไปต่างประเทศแล้วก็กลับท่าเรือสุ ป, ปั ต, ตนะได้อย่างรวดเร็วรัตนะทุกอย่างทั้งที่อยู่ในอากาศทั้งที่อยู่ที่ภาคพื้นดินก็เรืองแสงได้เองไปรอ บ, รอบ ไฟนรกอันร้ายกาจก็ดับเออนี้ดีไฟนรกดับเลยแล้วก็แม่น้ําในแม่น้ําทั้งหลายก็ไม่ไหลปกติน้ําไหลเชี่ยวก็ไม่ไหลแสงสว่างอันโอฬารไพลบูลก็ได้มีแล้วในโล ก, กันตริกานรกแม้ที่มีทุกข์ไม่ว่างเว้นในครั้งนั้ น, นก็แสดงว่าทุกข์ที่มันเคยเจ็บปวดเดือดร้อนในโล ก, กันตนรกก็หายไปครั้งนั้นมหาสมุทรนี้ก็มีเกลียวคลื่นระลอกสงบทั้งน้ําก็มีรสจืดอร่อยด้วยเนี่ยนะ น้ำทะเลจืดเลยตอนนั้นลมที่พัดแรงหรือร้ายกาจก็ไม่พัดต้นไม้ทั้งหลายก็ออกดอกบานสะพรั่งดวงจันทร์พร้อมทั้งดวงดาวก็จะรัดแสนยิ่งแม้แต่ดวงอาทิตย์ก็ไม่ร้อนแรงฝูงนกกระร้าเริงลงจากฟากฟ้ า, าและต้นไม้มาอยู่ที่พื้นดินเบื้องล่างเมฆฝนที่อยู่ในสี่ทวีปก็หลังฝนน้ำฝนรสอร่อยไปโดยรอบ เทวดาทั้งหลายอยู่ในพ บ, พบทิพย์ของตนมีจิตเลื่อมใสก็พากันฟ้อนรําขับร้องประโคมโ horong นะสลวนเสรกันอึ้งมีสลวนเซก็สลวนเนี่ยภาษาเขมรแปลว่าสนุกมากนะสลวนแหะนะแปลว่าสนุกมากเหมือนตรองโอ้มีความสนุกเพลิดเพลินนั่นเองนะไม่รู้สลวนเลยไม่รู้จะเขียนว่าอย่างไงก็เลยเขียนว่าสลวนเขาว่าในในขณะ น, นั้นเนี่ยนะประตูเล็กป ร, ประตูเล็ก บานประตูใหญ่ก็เปิดได้เองเขาก็กล่าวกันว่าความอดอยากหิวกระหายก็ไม่ได้บีบคั้นมหาชนไม่ว่าในโลกใดๆเปรตรู้สึกอิ่มบ้างกับตอนนี้แหละันส่วนหมูสัตว์ที่เป็นเวนกันเป็นนิสก็ได้เมตตาจิตเป็นอย่างยิ่งนะกระวมไม่เคยนึกรักศัตรูอย่างเหมือนครั้งนี้มาก่อนเลยฝูงกาก็เที่ยวไปกับฝูงนกเข้าแมวปกตินี่คู่เวนกันฝูงหมาป่าก็ยิ้มแย้มกับฝูงหมูนะ มูกับม้าปกติไม่ค่อยอะไรนะเจอหน้ากันก็ต้องเห่าต้องหอนเลยแหละแต่วันนี้ก็ยิ้มแย้มใส่กันบ้างงูมีพิษทั้งงูไม่มีพิษก็เล่นหัวกับพังพรทั้งหลายปกติงูกับพังพรนี่คู่เวรกันฝูงหนูบ้านก็มีใจคุ้นสนิทก็จับกลุ่มกันเล่นหัวใกล้แมววังหนูกับแมวนี่ปกตินี่คู่เวรกันหลยก็คุยกันได้บ้างก็ตอนนี้แหละความกระหายน้ําในโลกของปีศาจคือเปรตนี่นะ ที่ไม่ได้นะ้ามาเป็นพุทธันดอนก็หายไปอดอยากหิวโหยเป็นพุทธันดอนเลยนะคนค่อมก็มีกายงามสมส่วนคนใบ้ก็พูดได้เพราะนะนะก็มีตอนนี้แหละนะพิเศษส่วนหมูสัตว์ที่มีจิตเลื่อมใสก็กล่าวปิยะวาจาแกกันและกันโอ้ทุกคนก็พูดถึงคำด้วยคำที่เป็นที่รักใช้แต่คำที่อีกฝ่ายสบายใจฝูงม้าที่มีใจร่าเริงก็ลํำพองร้อง แม่ฝูงช้างใหญ่เมามันก็ทรงเสียงโกลจนาารอบรอบหมื่นโลกกระแกก็เกลื่อนกลาดไปด้วยจุนจันหอมกลุ่นอบอวนไปด้วยอบอวนหวนหอมไปด้วยกลิ่นดอกไม้หญ้าฟรั่นและทูปหญ้าฟรั่งไม่รู้หอมอยังไงนะแต่ทูปนี้ก็ทูปมีหลายประเภทนะทูปยยมสุพรรณีหรือเปล่าหอมนั่นน น, น, นมีมาลัยเป็นธงใหญ่ๆก็งดงาม พู้นี้เป็นบุพนิมิตเนี่ยวะพระพุทธเจ้ทาทุกพระองค์ตอนที่ประสูติสู่ขันนี่จะมีบุพนิมิต32อย่างเลยนะเครอะจากครันก็เป็นอย่างนี้ตอนตรัสรู้ก็เป็นอย่างนี้ตอนแสดงธรรมะจักก็เป็นอย่างนี้นะเหตุการณ์เหล่านี้จะมีขึ้นสําหรับพระโพธิสัตว์และพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยนะเฉพาะชาติสุดท้ายนะยกตัวอย่างว่าทุกอย่างมันเป็นเครื่องหมายหมดเลยเป็นเครื่องหมายบอกอะไรบ้า ง, า ke, างเช่น อ, อย่างแรกความไหวแห่งแผ่นแผ่แผมื่นโลกาธาตุเป็นบุพนิมิตแห่งการได้ พระสัพพัญยุตยานั้นมื่นโลกธาตุวันไว้ประกาศว่าสัพพัญยุตยา น, นี่รอบรู้สิ้นเชิงอย่างที่สองการประชมเทวดาทั้งหลายในในมื่นจักรวาลเนี่ยมาจากมื่นจักรวาลมารวมอยู่ในจักรวาลเดียวเป็นบุพนิมิตแห่งการประชมพร้อมเพียงการรับธรรมในการละที่ปร่งทรงแสดงพระธรรมจักรเพราะฉะนั้นตอนที่แสดงธรรมจักรเทวดานี่มามื่นจักรวาล อย่างที่สามการรับของเทวดากรเป็นบุพนิมิตแห่งการได้รูปราวจรฌานสี่คือเทวดารับตอนที่พระองค์ประสูจากคำเนี่ยเทวดารับแล้วก็ยื่นให้มนุษย์เนี่ยการที่เทวดารับก่อนเป็นเครื่องหมายว่ารูปราวจรฌานสี่ว่าพระพุทธเจ้าจะได้ฌานสี่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทัชฌานและพวกมนุษย์รับในภายหลังอันนี้เป็นบุพนิมิตแห่งการได้อรูปฌาน4ี่คือ อากาษานัญญาตนะวิญญาณัญญาตนะอากินและเนวสัญญาณาสัญญายตนะหาการประโคมของกลองหุ้มหนังและกลองทั้งหลายได้เองกลองดังเองเนี่ยนะอันนี้เป็นบุพนิมิตแห่งการยังมหาชนให้ได้ยินเสียงกลองทำขนาดใหญ่ก็คือเสียงประกาศอมตะธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้ประกาศธรรมจากเสียงกลองแห่งการประกาศอริยสัจจะดังก้อหึมไป ทั่วโลกพร้อมทั้งเทวโลกเป็นระลอกระลอกมาโดยลําดับจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะเสียงกลองแห่งธรรมเสียงกลองประกาศอริยสัจธรรมก็ดังมาเรื่อยๆเนี่ยนะอย่างที่หการบรรเลงเสียงเพลงได้เองของพินและอาพร์เครื่องประดับคือเครื่องประดับเช่นกำไลมือเป็นต้นมันดังกงแกง้กงแได้เองเนี่ยเป็นบุพนิมิตแห่งการได้อนุปุปผาวิหารสมาบัติเป็น สมาบัติการเข้าอยู่ตามลําดับเข้าปฐทุติยะฌานต่อจากปฐมฌานเข้าตาติยะฌานต่อจากทุติยะฌานเข้าจตุติฌานต่อจากตาติยะฌานเข้าอารูปฌานต่อจากรูปฌานเป็นต้ น, น, น, นการที่เสียงพินมันดังเองแล้วก็เครื่องประดับเช่นกําไลมือกําไลทั้งหลายมันดังกง้องแก้งได้เองเนี่ยนะอย่างที่เจการได้เครื่องอการที่เครื่องพันธนาการหลุดได้เองอันนี้เป็นบุพพนิมิตแห่งการตัดอสมิมานะ แม้โซ่ล่ามคอโซ่ตรวนล่ามคอล่ามมือล่ามขาเป็นต้นเนี่ยที่ผูกพันธนาการไม่ให้ไปไหนได้เนี่ยเหมือนกับอัศมิมานะเนี่ยนะแมบางคนเนี่ยเป็นอย่างนี้เองนะฟังทําไม่ได้ก็เพราะมานะแท้ๆถูกผูกเอาไว้ในะระดับเราแล้วเช่นเราแล้วไงเราไหนก็ไม่ทราบนะเรามาณะ น, นี่สิ บางทีก็ข้อ8นะการปราศจากโรคทุกอย่างหมายความว่าโรคสงบหมดทุกอย่างของมหาชนเป็นบุพนิมิตแห่งการได้ผลแห่งสัจจะ4เนี่ยนะก็คือผลแห่งการตรัสรู้อริยสัจทั้งหลายส่วนการได้เห็นรูปของคนตาบอดแต่กําเนิดเป็นบุพนิมิตแห่งการได้ที่พระจักษุมีตาทิพย์การได้ยินเสียงหูของคนหนวกนะการได้ยินเสียงของคนหูหนวกเป็นบุพนิมิตแห่งการได้ ทิพโสตธ า, าตุเนี่ยนะมีหูทิพการเกิดอนุสติของคนใบแต่กำเนิดคือระลึกได้ถึงความหลังครั้งเก่าก่อนได้หมดอันนี้เป็นบุพนิมิตแห่งสติปฐานสการเดินไปได้ด้วยเท้าของคนพิการอันนี้เป็นบุพนิมิตแห่งการได้อิทิบาทสการกลับมาสู่ท่าเรือสุปัตนะได้เองของเรือที่ไปต่างประเทศเป็นบุพนิมิตแห่งการบรรลุ ป, ปฏิสัมพิทาสี การรุ่งโรดได้เองของรัตนะหรือรัต น, รรตนเรืองแสงเรืองแสงออกมาเองนี้เป็นบุพนิมิตแห่งการสว่างสวัยในธรรมทั้งหลายก็คือธรรมจักสุที่สว่างสวัยมองเห็นอริยสัจได้การดับของไฟนรกเป็นการดับไฟ11กองนะเป็นการดับไฟของราคะโทสะโมหะดับไฟชาติชารามระโสกะปริถีวะทุกขโทมนัตและอุปาญาต การไม่ไหลไปแห่งน้ําในแม่น้ําทั้งหลายเป็นบุพนิมิตแห่งจตุเวสารัชยานญานที่ทําให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงความเป็นผู้แ ก, กลา้าแสงสว่างในโลกาตริกะนรกเป็นบุพนิมิตแห่งการกําจัดความมืดเขื่อวิชาแล้วเห็นแสงสว่างด้วยปัญญาด้วยยานทั้งหลายเนี่ยนะเพราะว่าปัญญาเปรียบเหมือนแสงสว่างปัญญาอาโลโกปัญญาโอภาโสปัญญาปัชโชโตเนี่ยนะ ความที่มหาสมุทรมีน้ำสมุทรเนี่ยมีน้ำที่มีรสอร่อยเป็นบุ พ, พนิมิตแห่งความที่ธทำมวินัยมีรสเดียวกันคือวีมุตติรสรสคือพระนิพพานเป็นที่หลุดพ้นจากทุกข์แล้วก็คําสอนทั้งหมดประชมลงที่พระนิพพานมีพระนิพพานเป็นประโยชน์สารความไม่พัดแห่งลมที่เรียกว่าลมหยุดพัดครู่งหนึ่งเนี่ยนะ เป็นบุพพนิมิตแห่งการทำลายทิฏฐิห2สสองเนี่ยนะทิฏฐิหสองกพันตะทิฏฐิส8บปดรันตะทิฏฐิสี่สนะิบสนอ่สิบแดวกสี่ก็เป็นสิ18ปดวกหสสี่ก็เป็นสี่สองเออหสสองสิดวสี 62, ่สี่เป็นหสองนะนะพันตะทิฏฐิส8บก็คือพวกอะไรอ่ น, นะสัสถะทิฏฐิเอกจจะสัสถะทิฏฐิอมาราวิเขปะเนี่ยนะอาทิจะสมุปปณทิฏฐิอภรณะทิฏฐิก็เช่นสัญญีวาทะอสัญญีวาทะเนวสัญญีนาะสัญญีวาทะพวกอุเฉททิฏฐิทั้งหลายเนี่ยนะพวกนี้เป็นพวกทิฏฐ ธ, ธรรมนิพานพวกนี้ทิฏฐิ62สิบันการไม่พัดแห่งลมเป็นเครื่องหมายที่พระพุทธเจ้าสา ม, มารถทำลายมิจฉาทิฏฐิ62ออกไปได้ ต่อไปความที่ต้นไม้ทั้งหลายออกดอกบานก็บอกว่าบุพภณิมิตแห่งความที่ธรรมวิไนยออกดอกบานโดยดอกคือวิมุตต์มันเห็นดอกดอกอะไรลดอกไม้ทําไมเขาชอบเอาดอกไม้มาบูชาพระพุทธเจ้าบูชาปรัตนาตรัยเพราะดอกไม้แบ่งบานแปลว่าดอกไม้คือวิมุตต์ได้แบ่งบานแล้วนึกถึงว่าดอกไม้บานคือการตรัสรู้ธรรมนะดอกไม้บานคือการตรัสรู้ธรรมะ ความจัดแสงยิ่งของดวงจันทร์แม้ดวงจันทร์เนี้แผดแสงมากรุ่งเรืองมากอันนี้เป็นบุพานิมิตเครื่องหมายว่าพระองค์เป็นที่รักใคร่ของชนเป็นอันมากพระพุทธเจ้าผู้ประดุจ ด, ดวงจันทร์เนี่ยนะเคยได้ยินว่าคนเกลียดดวงจันทร์ไหมเกลียดแล้วเกินความร้อนนี่มันร้อนจริงๆเลยกลางวันอาจจะมีคนบ่นบ้างใช่ไหมแต่ว่าดวงจันทร์แผดสองแสงเรืองรองงดงามยามค่ําคืนสว่างสวัยไม่เคยมีใครเกลียดเลยฉันใดพระพุทธเจ้าเป็นที่จเจริญใจ เป็นที่รักใคร่แห่งใจเหมือนกับดวงจันทร์นะนะความที่ดวงอาทิตย์สุขใสแต่ไม่ร้อนแรงนส่องแสงสว่างจัดมากแต่ว่าไม่ร้อนแรงเป็นบุพนิมิตความเกิดขึ้นแห่งความสุขทางกายและทางจิตใจนะนะเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกประชาชนทั้งหลายได้รับความสุขเป็นอย่างมาก การโผบินจากท้องฟ้าเป็นต้นสู่แผ่นดินของฝูงนกนะนกก็โผลลงมาจู่พื้นดินเนี่ยเป็นนิมิตแห่งการฟังพระโอวาทแล้วถึงสารณะด้วยชีวิตของมหาชนข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระธรรมขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระสงฆ์ก็เหมือนกันาาบนกบินจากท้องฟ้าลงสู่พื้น ก็กล่าวถึงว่าประชาชนทั้งหลายจะถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะด้วยชีวิตเนี่ยนะรักพระรัตนตรัยเสมอด้วยชีวิตการตกลงมาแห่งเมฆฝนที่เป็นไปในทวีปทั้ง4หาใหญ่เนี่ยนะฝนหาใหญ่มากอันนี้เป็นกฝนคือธรรมะขนาดใหญ่เนี่ยนะฝนแห่งธรรมอมตะธรรมก็โปรยตกลงมาทั่วทุกขนทุกแห่งไปหมดเลย